พอดีแล้วมันรู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้อย่างแจ้งแจ้งไม่งอแง่งขอนแผงเป็นอย่างจริงว่ะมีวิธีอันใดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับต้องมีวิธีการขั้งนะั้นวิธีนี้ไม่มีการบริกรรมและไม่มีการนึกการคิดอะไร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 มันเป็นกับพีเป็นเตืออของเพูดแล้วคนจาได้ดังนั้นที่เราเป็นเรียนหนังสือจดจำมาจากตำลักตำลานั้นมันเป็นส้าบาังจากสุขผมจึงไม่ได้พูดกับตำลักตำลาเมื่อใครต้องการอยากรู้กับตำลักตำลาแล้วก็ต้องไปดูออกับตัวหนังสือ วิธีที่ผมทำนั้นไม่ต้องไปดูตัวหนังสือไม่ต้องจดไม่ต้องจอับตัวหนังสือเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วจำได้แล้วรู้แจ้งรู้จริงอันนี้ทำให้จิตใจอันทีแล้วนั้นแปลว่าจิตใจเรื่องรู่ลูกลุ่มน้ำจิตใจมืดเกิดความสว่างภายในจิตใจ แต่จิตใจยังไม่เบามันเต็งเพียงความรู้อันวันนี้จิตใจเปลี่ยนแปลงจากภาวะหนึ่งไปอยู่ภาวะหนึ่งแบบนี้มันมันคำเดียวกันนะแต่ว่ามันตอนเป็นนั้นเป็นคนละอันแต่มันพูดไม่ได้ต้องยืมสมมติมาพูดคาว่าอันเดียวกันยังไงมันรู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริจ ง, รงเป็นคำพูดคาเดียวกัน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 อารมณ์ใดๆทั้งหมดเรียกวา่าจิตใจไม่ตังเพราะมันไม่ไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมันสนใจกับเรื่องรูปเรื่องนามเพื่อและเมื่อมารู้มาเห็นมาเข้าใจเรื่องวัตถุปรมัตมันก็ไม่งอนแง่งคอนแขนเพราะมันไม่ไปสนใจมันสนใจเรื่องวัตถุเรื่องปรามัตเรื่องอาการเรื่องโทสะโมหะโลภะ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 ตาหลมของวิปัสสนาเกิดรู้เกิดเห็นเกิดเข้าใจเรียกว่าตาคิดก็ได้หตัวตาปัญญาก็ได้เนื่องานญาณิปัสนาเกิดขึ้นก็นได้อยากกราบนมัส ก, การถามหลวงพ่อว่าขณะเดินนี่จะปฏิบัติได้ยังไงนะฮะ ม, มันคิดขึ้นมาคุณก็รู้เลยตัวรู้นะ่ตัวปฏิบัติธรม